بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه وصحبه ا ل ك ر ي م وعلى آله الطيبين الطائرين وأصحابه الغرمين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> ได้อธิบายอัยาที่หสิบอและหสิบสองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วได้ใจความว่าตัวหมายของศาสนาในการทำสงครามไม่ใช่เข่นค่าหรือสังหาร ชีวิตอันท่จริงสันติภาพและสันติสุขเป็นสิ่งเดียวลักษะหัวใและปรานาให้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ทุกกลุ่มทุกคนก่อนหกสิบอายาเนียในสุรัตน์อัลอัมเฟรซงปนสุรรัตน์ที่ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับสงครามบัติเซเมว่า นะและบรรยากาศนี่ยวันก็เกี่ยวกับเรื่องสงครามความหมายต่างๆถ้าเราสังเกตก็เกี่ยวกับเรื่องเตรียมตัวเรื่องสร้างภูมิกําลังความสามารถของสังคมในทุกด้านจนถึงเรื่องการเตรียมเรื่องเรื่องเอาเรื่ อ, อวัตถุ แต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮุ س ب าน ن ه และ تعالى ีอยไรผู้พุัทธาได้เข้าใจว่ากนไกของสงครามนั้นต้องมุ่งหมายสู่ชัยชนะด้วยสงครามอย่างเดียวแม้กะทั่งชัยชนะเองน่ะไม่ได้เป็นเป้าหมายใหญ่ ชนะสงคารามไม่ได้เป็นเป้าหมายใหญ่และนี่คือสิ่งที่มันจะวิสูดด้วยคำสั่งสอนของอิสลามแลว้วก็ุรอานเนี่ยมาจากพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ใครสร้างอะไรเนี่ยก็จะหวงแหงในสิ่งที่สิ่งที่เขาสร้างเราสร้างมนุษย์เนี่ย พระองค์นี้ก็เมตตามนุษย์ทุกคนนะแม้กระทั่งผู้ที่ปฏิเสธพระองค์แม้กระทั่งผู้ที่ต่อต้านพระองค์แลต่อต้านบรรดามิซึ่งมิติของความเมตตาที่อัลลอฮฺสุลต่ามีต่อมนุษยชาติทั้งหลายนี่ไม่เคยมีเลยนี่ส่วนที่จะยืนยันและก็ยึดในเรนี้วา ศาสนาอิสลามหรศาสนาที่กระหายเลือดศาสนาที่ต้องการให้ให้นองเลือดให้สังขาสังหารคนอย่างเดียวนี่ไม่ได้เป็นเบาะแสแต่น้เป็นคำสั่งชัดเยนเราบอกว่าอ้าถ้าเขาเลือกทางสันติภาพนะอินเดนาหุหรือเลมีก็ชนะและ่เราก็ต้องการเรื่องประนีประนอมเนี่ย เจ้าก็าจงประนีประนอมเป็นคําสัง่งแล้วถ้าเกิดข้อสงสัยอ๋อที่เขาเสนอประนีประนอมนี่เขาหลอกลวงท่านนาบีหรือเปล่าเขาวางยาหรือเปล่าซึ่งในสงครามนี่ก็มักจะมักจะมีวิญญาณของสามก๊กมาจริงเปล่ามันแผนซ้อนแผนซ้อนแผนหรือเปล่ามีแสงอะไรอยู่หรือเปล่า แม้บอกว่าไม่ต้องมองเพราะไอ้อยู่ดีดูอ้ยากเดาค่ะและหากว่าพวกเขาต้องการที่จะหลอกลวงเจ้าถ้าแบบคัมภีสามกกกันถ้าหากว่าพวกเจ้าหลอกลวงถ้าพวกเขาหลอกลวงเจ้าเจ้าก็หลอกลวงมันกลยุทธ์สงครามตํานานของมนุษย์แต่ถ้าจะแสดงเจตนารมณ์แสดงความบริสุทธิ์แม้กระทั่งยามสงครามที่มีการเข่นข่ากันนะ่ะนะถ้าเขาเสนอ เสนอที่จะปนิปนอมเน่ถึงแม้ว่าเป็นข้ออ้างถึงแม้ว่าไม่เนะอ่ะเราก็ต้องสนองสนองเอาแล้วก็อะไรที่จะช่วยเหลือการันตีเราเนี่ยว่าเราไม่ไม่โดนวางยาไม่โดนหลอกลวงไม่โดนก็อินนัสบะคะับอแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้เพียงพอแก่เจ้าแล้วท่อนนี้สุดยอดมาแล้วเดี๋ยวจ ะ, จะ ทนเนี้ยจะมีการเอ่ยเรื่องนี้บ่อยในอายะต่อมาฮัสบกะลอมาจากอะไรก็มาจากที่ที่เรากล่าวกันบ่อยนี่ฮัสบุนอัลลอฮูัลลอฮ์เพียงพ่อฟะอินฮัสบกะลอฮูแท้จริงนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้พอเพียงนักภาษาบางคนบอกว่ามันต่างกันเพียงพอกับพอเพียงต่างกันที่จริงเออไม่ไม่ไม่เยอะนะไม่เยอะมากเพียงพอกับเจ้าแล้ว ความรู้สึกของผู้ศรัทธาในความเพียงพอขององค์โนในความพอเพียงขององค์กับความรู้สึกของคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงมุสลิมหรือมุสมิมในยิ่งทราบซึ่งในเดชานุภาพคนยิ่งรู้จักองค์โนมากขึ้นยิ่งรู้จักในความพอเพียงของเทียบอุลิลเลห์มัซฮุลอาลาอุตฮะฮอนอันยิ่งใหญ่นย่อม เป็นสิ่งของของเมาเท่านั้นแต่เราเทียบให้เข้าใจเท่านั้นไปตลาดหลักทรัพย์ไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นบริษัทนี้หรือบริษัทนี้หรือบริษัทนี้ดูอะไรรู้จักใกล้แต่เจ๊งแล้วเจ๊งมาสิปีทุกปีทุกปีทุก ป, กปีซื้อมาเรายิ่งรู้ว่าบริษัทนี้เนี่ยมีคุณสมบัติล้มเหลวมีจุด อ, อ่อนยิ่งทําให้เราถอยไม่ ยิ่งมีคะแนนสูงในความเข้มแข็งของบุคคลมีอนาคตมีมีจุดขายมีจุดแข็งอ่ะยิ่งทําให้เราอยากซื้อยิ่งรู้จักอมนต์มากขึ้นเรียนรู้คุณลักษณะของอมนต์มากขึ้นอ่านรุปอ่านมากขึ้นและศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยและการดูสิ่งวัตถุจัดการโลมนี้ยังไงเรายิ่งทราบซึ่งในเดชานรู้ว่า ขออัลลอฮ์ س ب ح ا าและก็ะะั่นจะมันใจจริงๆริงว่าอัอเจริงส่วนแต่อัลลอฮ์ س ب าน ن ه และก็ละลพูดคำนี้ในช่วงจังหวะที่ท่านนบีและสหาว่าไม่ต้องพิสูจน์เยอะทำไมอ่ะเพิ่งชนะกันในสงครามบัดดซึ่งศัตรูเท่าไหร่นะพันหนึ่งแล้วเท่าไหร่นะสามร้อยฉันเงยเหลงเนี่ย คือหมัดมาน่สดสดเลยนะไม่ต้องไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ยังยงจะพิสูจนะ์อ่ะหลังจากที่เจอเนี่ยหลงังจากที่เห็เนเห็นซาฮาบะกำลังยกดาบไม่ทันจะอะไรอ่ะนะขอปิวนะ้วหลงังจากที่นะ่มสาสะแกนมัวดีจัดอะไรหลา ย, ย, าายอย่างในสงครามมัตเนี่ยจะพิสูจ น, น์มันฮัสบูกะลอหนี่ชัดเจนเลย เราเพียงพอเ น, งเนี่ยเช็ดใช่ก็จริงไงเพิ่งเห็นเพ่งเห็นด้วยตัวเองเจรจึงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้เวลาแต่ปัญหาคงคนน่ะนะในเรื่องพิสูจน์ในสิ่งที่ตัวเองไม่คยเชื่อไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสจริงหรื่า จะได้หรือคนแลวทุกคนแทบทุกคนมีหมดแหละแทบทุกคนทำไมได้พูดด้วยวาจาด้วยด้๋ยวาพูดชัดเจนนะ่ะบางีมันก็มันก็แอบพูดอยู่ลึกๆข้างในน เ, เป็นข้อสงสัยเพราะจุกลิ แล้วก็มีปัจจัยที่เราคุ้นเคยสนับสนุนฝ่ายที่ไม่ถูกต้องกับเดชานุภาพที่เราเชื่อปัจจัยที่เราคุ้นเคยนะเข้าข้างความไม่ถูกต้องกับเดชานุภาพของเราที่เราเชื่ออาจจะไม่คุ้นเคยเดชานุภาพของอัลลอฮ์ที่เราศรัทธาจริงนหะ อยู่กับฟังสิ่งที่ถูกต้องหรือก็จะรอดนิดเดีทุกกรณีที่เราเจอเรืเร่องนี้เราต้องเราต้องพยายามตรวจสอบหัวใจของเราและอายาเราเรียนรู้เรียนรู้รอุไาะแบบนี้นมันจะสอน เรื่องพวกนี้ขัดเราเรื่องพวนี้ไอผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าความหมายคุณอ่านต่ซี้ยคุณอ่านที่ที่พวกเราเรียนรู้ที่ที่เรียนกับผมมันนะมันไม่ได้แบบว่าเรียนรู้วิชาตัวเี้เหมือนในตำราที่จะมีวิชาการแบบเนก้อน้อนอย่างเงี้ยเออเรื่องพอกฟัง โอ้โหความรู้มันต้องเป็นแบบนี้ผมไม่ได้อยากให้มีน้อมในสัมผัสเรื่องความรู้เกีกความหมายกุณอ่านในด้านนั้นวุฒิอยู่เสมอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เริ่มสอนความหมายกุณอ่านเราเรียนรู้อันคุณอ่านเนี่ยเพื่อสัมผัสกุณอ่านเนี่ยมีชีวิตกุณอ่านที่มีชีวิตใว่า แด้ประทานลงมาเมื่อพันสีรอยปีถึงวันนี้เน่นะไม่ยังสดๆเรื่องนี้ทุกคนต้องสัมผัสด้วยตัวเองแล้วถ้าสัมผัสไม่ได้เนี่ยก็แสดงองอกมันอยู่ที่เราสนิมเนี่ยมันก็อยู่ที่เราหรืออยู่ที่เครื่องมือที่เราใช้ในการที่จะเข้าถึงนะตำหรับจำราหรือคนที่จะอธิบายกุรอ่านละเอียดของผมไม่มีเยอะ นี่เยอะมากเลยนะแล้วผมว่าผมก็ส่งเสริมนะให้เรียนรู้เอย่าหยุดที่ความรู้ที่ผมได้นําเสนอเพาความรู้อื่นจาที่นําเสนอที่นี่ก็มีเยอะนะแต่พยายามค้นหากับผมเนี่ยสอนทุกครั้งนีนะครับสอความหมายกุพราะเร่องนี้นีผผ่ผมเนี่ ย, ยตั้งเป็นเป็นหลักเกณฑ์ในการเข้าถึกุฎาร อนมันเกี่ยวอะไรกับเราเกี่ยอะไรกับเรากี่ยอะไรกับตัวตัวผมตัวตัวฉันแต่ละคนได้ประโยชน์อะไรไหมไอ้นี้มันเพิ่มเรื่องโลกเวสเดนละดีนะมโนอิมานทำให้บรดาผู้สัตว์เพิ่มอิมานมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นจริงรเปล่าขออัลลอฮ์บอกกับท่านนบีซุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะัลลัม ถ้ามีกระแสว่าเขาจะหลอกลวงเจ้าเขาจะเขาจะไม่หวังดีกับเจ้านี่เจ้าต้องกลัวท่นมันอธิบาย่ فإن حسب الله هو الذي أيدك من ص ر ِ ه و ل م ทนนี้มันอธิบายคว่า فإن حسب الله الله เป็นพรเจ้าขอละาเนี่ยเป็น เป็นประโยคที่อธิบายประโยคก่อนหน้าีอลลารอบเพียงพอยังไงอะแบบไหนอะพิสูจน์ยังไงอ่ะัวลีอยดกบินพระองค์คือผู้ที่ได้สมสนับสนุนเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์และด้วยผู้ศรัทธาทั้งหลายสนับสนุนเจ้าด้วยความช่วยเหลือบินอสรีฮี ด้วยความช่วยเหลือจากอนมอย่างไงอะที่สงครามบัติรานสหได้เห็นด้วยตัวเองเห็นมาหลกยแกเห็นการสนับสนุนแล้วก็แทบทุกสงครามนั้นก็จะมีความช่วยเหลือจริงนี่ใช่ความช่วยเหลือที่จะปรากฏกับฝ่ายศัตรูทั้ตลอดกาลไปถึงหมดทุกครั้งผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะทําสงครามก็จะพบมาหลกยแกลงมาช่วย ใช่เป็นไปไม่ได้แล้วลอะไรล่ะความช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานวาฮฺนะที่จะให้กับฝ่ายความถูกต้องหรือศัตธรรมที่ไม่ใช่เรื่องมโนดิจารหรือเรื่องอภินิหารต่างๆความช่วยเหลือได้แก่หนึ่ง การที่เราได้พิสูจน์ว่าทําสงครามนี้เพื่อช่วยเหออลืออัลลอฮ์จริงไม่ได้ทําเพื่ออื่นใดไม่ได้ทําเพื่ออะไรอื่นจากการช่วยเหออลืออัลลอฮ์นี่คือการรับความช่วยเหออลือจากอัลลอฮ์ชัดเจนเพราอัลลอฮ์บอกไว้ในอิกรสุรหนึ่งสุรสุห์มุฮัมมัดอะยาลัดีลาอินตันซุรุลลอฮะยันซุร ถ้พวกเจ้าสนับสนุนบรรทัศน์รบางคำแปลบอกว่าถ้าหาวพวกเจ้าช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลล์จะช่วยเหลือพวกเจ้านี้ใชีเหนดสุดที่นช่วยเหลืออัลล์เคยไม่เคยสิ่งถ้าหาว่าพวกเจ้าสนับสนุนวสนับสนุนศาสนาของอัลล์เนี่ย อ a า l a h จะสนับสนุนพวกเจ้าช่วยเหลือพวกเจ้าแสดงว่า Allah ช่วยเหลือพวกเจ้ายังไงหนึ่งเราเนี่ยดูสิว่าเราสนับสนุนศา ส, สนาของพระองค์หรือเปล่าดั่มเราจะม้อความช่วยเหลือกับเราอย่างเดสองความช่วยเหลือที่อัลลอฮ์จะให้แก่ผู้ศรทาที่ไม่ใช่เรื่องอภินิหารไม่ใช่เรื่องมรดิสานเนี่ย ไ, ได้เป็นความช่วยเหลือที่จะพิสูจน์ด้วยวัตถุโดยเอาอวัยวะสัมผัสได้เห็นด้วยสายตาทําไมอะ่ะเพราะปัจจัยของชัยชนะอันนี้อันนี้เป็นยุทธศาสตร์ทุกตํานานนะปัจจัยของชัยชนะในสงครามเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่จํานวนไม่ใช่อาวุธอย่างเดียวทําไมอะ่ะ โอ้กี่มากน้อยในประวัติศาสตร์จํานวนน้อยชนะจํานวนเยอะอาวุธแย่ชนะอาวุธอาวุธส้มๆอัลลอฮฺก็บอกนะว่ากำมีฝี ئة กลินนเลี็กนั่นแหละฝี ئة ค ث เราตันบปอินัลลาห์กี่มากน้อยฝี ئة จํานวนน้อยได้เอาชนะจํานวนหนักกี่มากน้อยมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วนี่มาเห็นกุรานอย่างเดียวนะเป็นประสบการณ์ที่ บัรดาแม่ทัพบรรดานักประวัติศาสตร์นี่เขาก็พูดเขากคุยกันเขาอาจจะมอบความชาดให้ผู้สธาแล้วก็ลงโทษความโม้กับฝ่ายศัตรูแสดงว่าชนะด้วยอะไรด้วยความชาดแล้วเขาแพ้ด้วยอะไร ไม่เใช่แพ้เพราอาอาวุธแย่หรํานวนน้อยหรืไม่ใช่แพ้เพ่าอะไรโมีไม่แบบนี้โอ้ม่เยมีเยอะให้เห็นเลยคนตังน้อยนะอแต่ขายดีเพาอะไรเพรา ะ, ะราฉลาดคนตังเยอะเนี่ยแต่ขายไม่ดีเพราะอะไรถ้าการตลาดเขาพิสูจน์เห็นเพราะเขาพูดแล้วมึง เ, เขาไม่ฉลาด แต่มันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเป็นอาวุธหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นความโง่ความฉลาดนี่ก็มันไม่ใช่เรื่องวิชาการไม่ใช่เรื่องยิทธาศาสตร์ที่อ่านในตำนานอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์อาจจะเป็นเรื่องความเฉียบแหลมในการสังเกต ยุทธวิธีต่างๆที่มันมองเห็นได้เฉพาะเฉพาะเวลาเฉพาะสถานที่บางคนเห็นบางคนมองไม่เห็นบ่จะมอ่งไอ้แม่ทัพ บ, บางคนไม่ได้และในเรื่องนี้ผู้ศรัทธาก็ไม่ได้เปรียยนนะทาไมอัลลอฮฺสุบฮานาะจ่างก็อาจจะอาจจะให้ผู้ศรัทธาคนที่มีศรัทธาทำอย่างอาจจะพ่ายแพ้ก็ได้เพราะอะไรเพรเรื่องเนี้ย ความเขาความปวดดีความประมาทเช่นในส่งคมว่านุนก็มีในสงคำหุนในก็มีก็เคยปรากฏแล้วก็เป็นข้อเตือนเดียวเราได้เตือนสติมันดาสหาบาในข้อผิดภาดที่ทำให้แม่สงทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะสัมผัสกับ ความช่วยเหลือจากัลลอฮฺมุฮามดีวาดาดูแล้วเนี่ยมันมันต้องมันต้องใช้มันต้องใช้ความความเสื้อความศัดท่าที่มันที่มันแน่นนะคนรีบอ่ะคนคนอยาได้เห็นผลเร็วอ่ะ คนเหล่านี้เนี่ยจะไม่ค่อยสังเกตลักษณะของความช่วยเหลือความช่วยเหลือนี้มันมาอย่างไรเหมือนคนที่ชำนาญทำกับข้าวเพราะอาหารนี้ต้องปุ่มใช้ไฟอ่อนๆเบาๆใช้ไฟแรงแต่คนที่ คนที่รีบอะเอ้ยใจแรงก็ได้ขอนกระสุกเร็วดกดวกินกันใช่กินของไหมกันไกินของไม่สุกสุกเร็วเองของไม่ของปรุงปรุแบบรีบๆอะมันก็มันก็มีข้อตําหนิมองมันใช่ชนะไม่จําเป็นต้องชนะในสงครามนั้น สแสดงว่าพ่ายแพ้ในสงคารามนึงมันอาจจะเป็นขั้นตอนหนึ่งของชัยชนะก็ได้สหภาพที่รับอิสลามที่มักกะแล้วก็ถูกถูกซ้อมตรมานถูกขุมเหงนบีอัลลอฮ์ความศรัทธา แล้วเราถูกเหยียดหยามแบบนี้เนี่ยพระเจ้าทำไมไม่ช่วยทําไมปล่อยให้เราแบบนี้จะหารู้ไหมบ่สิบสามปีเนี่ยที่ซาฮาบ้าเนี่ยถูกอบรมถูกขัดเกลาถูกฝึกฝนแบบนี้เนี่ยทําให้เขาเนี่ยหลังจากนั้นนะสิบสามปีเนี่ยถูกหลังจากนั้นนะปีหลังจากนั้นนะ่ะหกเจ็ดปี 1ิบสามปีอย no ู่ที่มักกะในแบบหลบๆซ่อนๆนะหกปีนบีย้งไปอยู่ที่มาดีนะหกเจ็ดปีนะกลับมาเป็สิมักกะถ้าไม่มีสิบสามปีล่ะไม่แน่อาจจะใช่สิกสามสิบอี0สี่สิบปีหสิบปีหรือไม่แน่ถ้านบีมูซา สถานาถูสาันาร้วซูลแล้วก็ชาวยิวเนี่ยอยู่ที่อิบี่เราคมเห็นชาวบรรุสราเนเป็นสถาบันะเพรนบิบุซามาแล้วนะเาอยากจะออกาี่นั่นจุ๊บเราไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว嘛ในบิบุซัพากนพาบรนลุสราญนแล้วเป็นยังไงโอ้ เจอแต่ลแลาบททดสอบเราบอกว่าไปอย่างนี้นกูจะไปอย่างนี้ไปตรงนี้ดิมันกูก็ถอยหลังเพราะอะไรไม่ไม่ได้ใช้เวลาย่วเนี่นรีบไม่ได้ใช้เวลาในการขัดกลับเป็นบทเรียนที่สำคัญมากในอิบาดะทุกทุกเรื่องเลยทุกเรื่องละมาดก็เหมือน ทำไมการละหมาดชาๆซึกรุ่นล well, kind of ่อช้าๆจะเยินๆมันจะได้อัตรบมันจะได้ประโยชน์ได้ผลมากกว่าไอ้บาดาไอ้บาดาแบบมีสําเร็จรูปตึงๆสำเร็จทาไอ้บาดาแล้วก็ใส่ใจในเรไอ้บาดาเนี่ยมันจะมีผลแน่นอนมากกว่าที่เรากัน หลังจากที่อัลลอฮยินยันกับเซนดับบี้โซโล่เสลวไม่ต้องห่วงเขาจะอ้างว่าหลอกมีกระแสว่าเขาวางเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวอัลลอฮฺนับสลช่วยเด้ออัลลอจะมอบความช่วยเหลือกับเราและจะมอบรรดาผูษฐาช่วยเหลืออวบิลมุินีในสุรเดลัฟลทั้งหมดเลยนะคือถ้ามานั่งคิด ท่านนาบีน่าจะดีใจมากที่สุดไม่ใช่เร่งทรัพย์เฉลยเพราะทั้งนั้นที่ร้อนนี้กี่กัเร่งอัลแอมแฟลคือทรัพย์เฉลย น, ะนบีคงไม่ได้ดีใจเรื่องเรื่องหลักการคําสั่งเกี่ยวกับแบ่งทรัพย์เฉลยนบีดีใจที่อัลลอฮฺสุภานโนอฺดาได้แจ้งมาของขวัญที่อัลลอฮฺให้กับท่านนาบนีคืออะไรคือบรรดาผู้ศรัทธาที่จะสนับสนุน ท่นน บ, บีสุครานี่คือสิ่งที่ท่านน บ, บีปลื้มมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านน บ, บีปลื้มมากที่สุดบรรดาผู้ศัทธาที่ก่อนที่จะเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติที่จะสนับสนุนน บ, บี คนสุดท้ายของนั่นคือท่านอะบดุลมาร์ตส์คือถ้าใครเป็นถ้าใครไปมองดูสถานะภาพของข้าบสมุทรอะไรโดยเฉพาะคนที่มากะที่จะมีชาวมุฮัจิรินออกจากนั้นหรือชาวมัดินาที่จะมีชาวอัซอรออกจากนั้นแล้วก็สองคนนี้จะสุนทรบัญญัติขอนบีสุลต ไ ม, ไม่ไม่น่าจะคือไม่มีแววเลยอ่ะไม่มีแวร์เราทราบเป็นพิชิพเปอร์เซียรุสตุมบ้านเราเรียกกันรุสตมมัมไม่เป็นไรรุสตุมเป็นแม่ทับของเปอร์เซีย ทรงจุดหมายซาดิบนาบีวกัสเป็นแม่ทัพของของมุสลิมทรงตัวแทนมาชาญวกัสก็เลยทรงสหบาบะคนเนี่ยคืนนึกออกมาเปอร์เซียเนี่ยเพียบเทียบได้เหมือนประเทศที่แบบว่าเจริญมากครับฝรงเศีอังกฤษอะไรอย่เงี้ย วันดีขึ้นดีเขากา็มีกองทัพจากมูซัมบิกประเทศที่แอฟริกานะที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนยะเมืองขึ้นนะจะมาพิชิตฝรั่งเศสรุรสตุมก็ได้ทมอะไรอ่ะพเจเป็นใขรอ่ะมาจากไหนอ่ะเพราะตัวกรุงอาหรับนี่เป็นทาสเป็นาธาตของอาณาจักรจริงๆเปอร์เซียตะวันออกแล้วก็โรมันตะวันตก ก็จะมีอาณาจักที่จะรับใช้เปอร์เซียมีเผ่าอาณาจักที่จะรับใช้เปอร์เซียแล้วเกิดจะมีที่จะรับใช้โรมันตั้งเป็นอาณาจักรรับใช้กันอาณาจักรของอาณาจักที่รับใช้เลยนะอย่างของโรมันนี่จะมีเผ่าใหญ่มากของอาณาจักนี่ชื่อคอซาซีน่ะเผ่าอยู่ตอนเหนือของข้าบสมุทรอาณาจักเป็นเผ่าที่ใหญ่มากเขาตั้งอาณาจักรเลยนะเพื่อรับใช้โรมันถึงขนาดที่รับศาสนาคริสตศาสนาคร พี่เจ้านายแล้วก็เบอร์เซียล่ะมีเผาใหญ่มากชื่อมมนาซิระมนาซิรานีก่ออนอนออก็คือคนเอกบรลมุนเดอร์เนี่ยอย่างท่อราเมุนเดอรเขาเรียกมมนาซิระเขาก็รวมดูกันแล้วก็ตั้งอาณาจักรอยู่ตอนตะวันออกของคาบสมุทรอาราเพื่อรับใช้ดิสลอร์พวกนี้เนี่ยก็ วัฒนธรรมศาสนาเขานี ون ون د د ا ا ่ก็เหมือนเลยเหมือนเค่อยนเป็นเ็นเป็นพวกที่์่าของเราอะไรวันซื่อต่อกรนู้นจะเข้าเข้าเฝ้ากิสรอกิสรอเนี่ยก็เป็นชายะกิสรอเนี่ยก็หมายถึงว่ากษัตริย์กิสรอกษัตรย์กษัตริย์ตรรกสามคกับ ไทยนี่ก็เป็นลุกพี่ลุกน้องกับสันสวรินทนะคิสรองกับไม่ว่ากษัตริย์นะเข้าเฝ้ากษัตริย์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นประเพณีเข้าเฝ้ากษัตริย์เนี่ยต้องกราบที่เขาไม่ได้กราบนะเขาบอกว่าต้องจูบจูบจูบพื้นนะเข้าไปก็ต้องจูบพื้นแสดงความคารวะอะไรเนี่ยพวกคุณซึ้นแต่ไอ้ตัวแทนตัวแทนนี้ ตัวแทนที่ซาตานเขส่งไปอ่ะนะไม่ได้ทําแบบนั้นเขาถือหอกแล้วตอนเข้าไปไปหาแม่ทัพมานะก็เอาออกจิ้มจิ้มไอ้ที่เขาจิ้มมานะพวกหมอนพวกผมพวกอะไรของแพงๆของแพงๆอ่ะเปอรเซียเนี่ยคนเป็นล้างมันนะจิ้มจิมจิมอยู่นะพวกคุณเป็นอะไรมาจากไหนพวกไอพวกคนซื้อพวกอะไรน่าจะมาว่าอะไร ดูถูกมันไม่น่าคิดเลยอหไม่กี่ปีเนี่ยอรับเรร่รอนกินเหล้าเหมือนน้ำฝังลูกผู้หญิงเนี่ยเพราะกลัวจนบูชาจเจวิตที่เป็นอิมพลัม์มหิวแล้วก็เอามากินลองลองคิดดูสิฮบ้านเขาส่วนมากนี่เขาเอาอะไรอ่ะก็ขนแพะขนขนแกะนี่แหละมา มันทำเป็นเต็นท์เป็นอะไรเขาจะไปปุกรุกอาณาจักรนี่เขาบอกว่าแค่ประตูอีวานกิสรลนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่นะที่อิรักนะประตูเข้าวังของกิสเลนที่เหลือทุกวันนี้เนี่ยแค่ประตูนี่นะความสูงของมันเนี่ยเกือบเจ็ดสิบเมตรอิวานกิสรล ระเบียงระเบียงมันดังมากกันะเขาบอกว่าระเบียงของกิสรอลนี่ที่ระเบียงที่เขาจะออกมาว่าปราสาหิมามาพูดกับประชาชนนั่นนะตอนที่นบีเกิดนี่เขาบอกว่าระเบียงของกิสรอนี่หักพังนจึงดังมากเลยนะระเบียงตัวก่อนนีระเบียงโอ้ระเบียงแคบแคบแคบบ้านเนี่ยใช้ใช้ใช้เอ่อใช้ช อีกแท้อะไรสร้างนี่ก็รู้แล้วนี้วังอะไรทั้งเมืองเขาอาหรับเรร่อนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงอูดมาบุกรุกจะมาทําลายอาณาจักรยิ่งใหญ่ไม่ใช่อาณาจักรเดียวนะสองอาณาจักรที่ยใหญ่ที่สุดในโลกโรมันและลาวเวซียผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ท่านนบีดีใจมากกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คนที่อยู่กับเจ้ า, จานี่นะนี่คือส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือบีไม่ต้องมองแล้วนะท่านจะมีอาวุธกี่ชิ้นจะมีดาบกี่นะกี่เล่มท่านจะมีท่านจะมีธนูจะมีหอกท่านจะมีม้าดีตัวแล้วสหาบ้านนี่เขาก็มั่นใจในเรื่องนี้เหมือนกันว่าความหนักแน่นความเข้มแข็งของของนักรบนี่ก็ไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งของปัจจัยที่มันเป็นวัตถุ ฮาริสเป็นหมู่สั้นนะถ้าจำชื่อไม่ผิดเนี่ยเป็นแม่ทัพที่อาบูฮักุส่งไปพิชิตชามประสบประสบกับปัญห า, ากับศัตรูเนี่ยดูเหมือนว่าจะพาแพ้ทําไมเจอศัตรูเขาเนี่ยเขาเนี่ยกองทัพเขาเนี่ยสามหมื่น แล้วก็ส่งส่งคนไปไปหาบ่ใจแล้วก็ะดูเรานหรของท่านเขากี่คนสองแสนทำายสมมนกับสองแสนยังไงส่งจดหมายทันดีไปให้บักท่านครับช่วยส่งส่งคมสกําลังไหมช่วยนะไม่ได้เราไม่รอดปกตท่านจะส่งตัวจะส่ง กองกําลังนับพันก็ส่งอัลกออร์ก้าอิลเนลเมอร์อัลฮ่าดันซึนอินูเซนนึกว่าตัวแทนที่ส่งจดหมายคําตอบเขาบอกว่าไหนเนี่ยกองกําลังมีไหนอ่ะเขาบอกว่าอ่านก่อนเออว่าผมบอกส่งกองกําลังคนหนึ่งเท่ากันหนึ่งพันคนต้อก่อนต้องเขามองคุณค่าคน แล้รัศมานี่ก็เปเชนเปเชนหน้ากับสงครามอะไรก็แบบนี้แหละเจอกันแสนหนึ่งมีสองหมื่นนึกว่าชนะจนกระทั่งแม่ทัพคนหนึ่งที่มีบทบาทในการพิชิตเปอร์เซียแล้วก็ละโรมันเนี่ยมากที่สุดเนี่ยคือข้อเรื่องหนึ่งมารีฟเนี่ยเกิดมาที่หลังเนี่ยเคยมีแม่ทัพหลายคนที่ก็เคยพูดไม่ไม่ยังไม่เกิดหรอกแม่ทัพที่ไม่เคยแพ้สงครามนี่ ขาดไม่เคยนะแม่กระทั่งสงครามที่เคยเป็นแม่ทัพตอนเป็นมุชริกินทั้งเดียวนะสงครามกุดันช น, นะไม่เคยแพ้สงครามเลยข้าีบีได้ใช้ยาว่ะใส่ฟุ่นหล่อดาบหัวหแล้วมีต่งแต่งตั้งใช้ยา จะยัยใครรับหนูเลยนี่ทั้งหมดเนี่ยให้เห็นว่าพออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แจ้งท่านนบีความขวัญใหญ่ท่านนบีความช่วยเหลือเนยอะพอพอจะนิดได้ของความช่วยเหลือที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยแต่อะไรที่มันสัมผัสไม่ได้เนี่ยเราก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์มันจะมาไงเนี่ยก็เรื่องของอัลลอฮ์แต่สิ่งที่ท่านนบีผมคิดว่านบีน่าจะดีใจมากทันการที่อัลลอฮ์การันตีว่ามี ขงควัญเดียวเราจะให้เจ้าเนี่ยว่าวิมุบมินีดผู้ศรัทธาเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่ท่านนบีสุลตนอัลลอฮ้อยู่สั่ัแล้วได้มีส่วนรับใช้อัลลอฮ์สุภาโนะทานในการก่อตั้งกลุ่มที่มีความแข็งเกร่งนีอัลลอฮ์บอกว่าด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ์ ที่ทำให้กลุ่มผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นกำลังช่วยเหลือเจ้าจากกลุ่มคนที่เร่ร่อนแตกแยกขัดแย้งกันตัลอมฺสุบฮ า, าราอูวาลาช่วยให้เขาได้สมักสมานอัลลอัให้กุลูบีและได้ส่งให้เสนิหสนมระหว่างหัวใจของพวกเขาอัลลอัให้กุลูบี และได้ส่งให้สนิทสนุมระห ว, ว่างหัวใจของพวกเขาแล้วอันฝักเท่าไหร่ในแผ่นดินี้ารรับเสบียนักุญหากเจ้าได้จ่ายสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนี้ทั้งหมดในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยมีทองมีเงินเท่าไหร่ใช้จ่ายในการที่จะให้หัวใจเข้าสนิทสนุมเจ้าก็ไม่สามารถให้ สนิทสนุมระหว่างหัวใจของพวกเขาได้แต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นได้ทรงให้สนิทสนุมระหว่างพวกเขาวะลาหินนบะอัลละบห์นะละและแท้จริงอินนุฮะซุนฮะติพระองค์นั่นคือผู้ทรงดีชานุภาพผู้ทรงปรีชาอัลเอูสละอะลขัสรุจสองเผ่าลกหลักที่มัดีนะสู้รบกัน ร้อยี่สิบปีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะสู้รบกันร้อยยี่สิบปีเขาไม่เคยคาดคิดว่าอลอลเอลสและก็ข้าสนอจะจากมือกันจะมีผู้นำที่เป็นแกนนำเดียวสามารถรวบรวมพวกเขาทั้งทั้งสองเผ่าเนี่ยอยู่ภายใต้ กลุ่มเดียวอนัดคนเดียวเป็นแบบไม่มีใครยอมใครอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع า ل ى ทำให้หัวใจเขาเส้นสินุว่าท่านนบีซุนลลัลลอฮฺอวยและลัาไในมามาดีนะแล้วก็เผยแร่อิสลามให้เขาได้สัทธากุศานี้ได้ล้างเลย ي, ะ่ะความขาดความโกรธลองคิดดูซิ ไม่ใโกรธกันแค่ปีสองปีนะฮไม่ใช่ว่ า, าจัดงานวลีมะแจากการ์ดไม่ครบโวยโกรธกันเกลียดกันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นยุคหนึ่งอนะ่ะเป็นชาติเลย ไปถึงบ้านแล้วก็ไ่เลี้ยงน้ำชาเฮ้ยมันอะไรมันดูถูกเราขนาดไหนเนี่ยไปเลยไม่นะเขาทำสงครามกันร2 0ยี่สิบปีฆ่ากันนะฆ่ากันนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่แจกการไม่ใช่ออกรายการทีวีแล้วก็ด่ากันนิดหน่อยนะไม่ใช่ฆ่ากันนะร2 0ยี่สิบปีครอบครัวนั้นน่ะคนตายเนี่ยพวาฝีมือของ นักรบคนเนี่ยยังเห็นเห็นอยู่แล้วครอบครัวอีกพวงนั้นน่ะตายม่รู้กี่คนเนี่ยพรฝีมือนักรบคนเนี่ยแผลเป็นป็น่ะมันยังอยู่พอรับอิสลามแล้วเนี่ยคุณอ่านน้นเ่งไงล้างความอคติความโกรธ น, นี่ล้างอ่างเอล ะ, ะนะคุลกบิน้าไม่เอาสละกะข็ขรจซึ่งป็นที่มันหากินมันดูดเลือดระหว่างสองกลุ่มเนี่ยพวกยิว ยู you เนี่ยรุ่งเรืองที่มาดีแน่นี่ว่าขายอาวุธขายอาวุธในไก่อ่ะเรื่องสอยห้างอาวุธห้างเนียว่ะในห้างคนเดียวเอาขมาเฮ้ยต้องการอาวุธด่วนเอาเท่าไหร่าีเลมาเอาเลยเผาี่จะทสทงครามอ่ะเอาเท่าไหร่มันเอายมึงเอา้ยอยู่กัน ถึงพอท่านนบีมาแล้วในยูรู้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเราเห็นชัดนะว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุซายด์ละยุติสงครามระหว่างพี่น้องด้วยกันน่ะแค่นี้เนี่ยไม่พอหรอยุติสงครามอ่ะพวกค้าอาวุธเนี่ยไม่มีทมากินไม่ได้แล้วทำไมเขาไม่ต้องการให้อิสลามเนี่ยคลองลูกล่ะ พวกาคาอบบยามุกทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีมีกินไม่มีกินนะค้าโซเฟนีค้ากานก์อ น, นั้นค้าอาวุธค้ายาเสพติดไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะจะไม่มีหากินแน่นอนค้าเหล้าค่าหล้าและพวกนี้เนี่ยเป็นอะไรเป็นนายทุ น, นใหญ่หนาห น, น, น่หัวใจ ของอาวและกับคซัลเนียที่เต็มไปด้วยอาคาศอันล้อนแงความอากาศความโกรธ ก, ก็ด้วยศัสนาซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญเราเราจะคืนดีเราจะปรองดองระหว่างสองกลุ่มสองคนสองวันถ้าเามีอีมานพอนะ สกิตอิหมานนี่ถ้าเขาไม่มีนะก็เอาอิหมานนี่มาล้างอิหมนพูดเรื่องอิหมานพูดเรื่องอิหมานพูดเรื่องหลักหลักการศาสนาอย่าใช้เวลาเยอะในการประณีประนอมเรื่องเนื้อหาความขัดแย้งอันนี้เท่าไรสองว่าแล้วก็อีกวานึงที่มันติดเนื้อรมคอกันอันนี้อย่แย่เยอะอย่เยอะ ทำไมอยะพราะถ้าสองฝ่ายเนี่ยเขามี إيمان พอเขาเขามีความเขามองโลกนี้เนี่ว่าเฮ้ยวานึ่งเงนะีเทียบกับเออยุบมัน แ, และและในสวรรค์จะมีเท่าไหร่ถ้าเชื่อนะว่า Allah จะให้แค่ไหนในสวรรค์เฮนะ้ยวาเดียวอะ่ะกูจะหวงหวงวาเดียวเ น, นี่ยลกเนี้ยเนินตารางนิ้วนะจะมาแลกเปลี่ยนกับการตอบแทนที่ a l ะ a h จะให้ในสว่วนสวรรค์แบบนี้ กูสตาเท่านั้นะที่จะคิดแบบนี้แต่ถ้าจะมุมแคบของโลกดุนยาน่ก็จะโมจะมาคิดกันเหมือนสาลทั่วไปนี่ก็ก็คุยเรื่องแล้วเวลาประีประนอมอะนก็ศาลก็จะมีนะมีฝ่ายประีประนอมมันนะเขาก็พยายามมนนะเออเวลาเรื่องก็ก็ คือกระตุ้นเรื่องศาสนาเนี่พวกเขารู้ไงว่ามันมีผลจริงอะความเป็นญาติความเป็นพี่น้องเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรนี่มันมีประโยชน์จริงอกฎหมายนี่มันช่วยไม่ได้หรอกอำนาจของกฎหมายแค่ไหนช่วยไม่ได้หรอกไม่เท่ากับพลังครับของคุณธรรมถ้ามันพุ่งมาจะกหัาใจแล้วนี่มันหลักความมาฆา ความโกรธความเกลียดชังมันได้หฉะนั้นท่านน บ, บีสุลาลออะไรอยู่ส้นหลัได้บอกว่าความสนิสนมระหว่างผู้สถาเนี่ยมีผลบลุญทั้ไม่ทั่วเช่นอะดีสที่เมืองทุงดีบอ า, าัท่านน บ, บีสุลาลอวาอะไอยู่เส้นหลับอกว่าผู้ศรัทธาสองคนเจกันและจับมือกันน่ะแต่หาตัด ฤดูบูบมาความผิดของเขาเนี่ยมันจะร่วงลงเหมือนใบไม้ของต้นไม้ที่มันร่วงลงเคยเห็นต้นไม้ไม่แต่กิ่งเนี่ยมันรุ่งช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นไปได้ไงช่วงหน้าฝนยวงรู้ทาไมต้นไม้มันดุต้นไม้มันใหญ่โตแต่พอ ช่วงที่ดูใบไม้นันเหมือนต้นไม้นี่มันตายไปแล้ว่ะไม่เหลือเลยอ่ะความชั่วไม่เหลือไปเกี้ยงหมดเลยเป็นเปได้ไงไงแค่เจอกันอ่ะเจอกันแล้วก็จับมือกันอย่างาเงี้ยท่านมุ j a h ิ d เนเคยเอาฮะดิษเนี่ยไปบอกแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นฮะดีษไปบอกกัน ลูกสิษย์เคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยมุญมินงสองคนเนี่ยแค่สนิทสนมกันนะนะอัลลอฮฺจะลบล้างความผิดบุดเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเชออะไรขนาดนั้นแค่เนี่ยแค่สนิทสนมกันโอยังไม่ได้อ่านอายะห์ที่อัลลอฮฺบอกว่าเลวอัลหมุกตะมาฟิลอารดีจามี ถ้าเจ้าใช้จ่ายทรัพย์สินที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยเจ้าไม่สามารถที่จะทําให้หัวใจสนิทสนมได้อนอกต่างหากที่ทําให้สนิทสนมได้แสดงว่าคุณค่าคุณค่าของความสนิทสนมนเนี่ยเท่ากับทรัพย์สินที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดพี่น้องลองคิดดูสิถ้าเรามีงบประมาณแผ่นดินประเทศไทยอย่างเดียสักปีหนึ่งและไม่ใช่จะใช้จ่ายในการ ปลองดองกับชาวบ้านชาวบ้านน่ะใครทะเลาะกันเนี่ยให้ตังค์กันจะจะได้จะได้ยอมกันเน่ยเอางบประมาณแผ่นดินสักสามล้านล้านนะเะแจกตังค์อย่างเดียวของการปลองดองนี่แหละเอาตังค์งไม่ต้องไม่ต้องสร้างสะพานไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นทำให้สังคมนี่ปลองดองกันรักใครกันคนรู้เรื่องกันคน ทำให้เรื่องกันสิ้นเปลืองงบ ป, ประมาณนี่เพราะอะไรเพราะเลือกตั้งนายกเทศบาลเลือกตั้งนายกอบอกตอทุกทีนใครอ่ะที่ทะเลาะ ก, กันนี่คือใครอ่ะอย่าพี่น้องกันได้แท้เลยคู่แข่งนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันบางทีก็ตระกูลเดียวกันนะนะไปเสนอตัวเด้งไงกูใหญ่ก็ไม่ให้เสนอไอ้นี่ไอ้ฝ่ายอยู่นี้เนี่ยก็ถือหางไอ้นี่ก็ถือหางแล้วก็ออกมา เนี่ยออกมาแจกตังกันนยแต่จ้าหากว่าหัวใจของคนในสังคมเนี่ยปรองดองกันละ่ะสนิทสนองกันนะ่ะไม่อา่ากันไม่อิดจัาที่สยากกันนะ่ไม่โกรธไม่แค้นกันนะ่ะมันมีสิ้นเบืืองหลักมบประมาณอะไรแบบนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กนะที่เราจะบอกว่า ทุกกลุ่มมนุษย์เนี่ยจะมากจะน้อยแค่ไหนเนี่ยเรื่องที่สําคัญที่สุดนี่คือเรื่องความโปร่งนองความซื่อสัตความเป็นเจ้มาความเป็นเจ้ามานี่กลุ่มความเป็นเจ้ามานี no h h ่องค์กรความเป็นเจ้มในีมูลเข็บสำคัญาสำคัญกว่าสร้างสภาสำคัญกว่าสร้างรัฐสำคัญกว่าสร้างสนามเตะบอลสำคัญกว่าเนี่ยสำคัญว่าสำคัญว่าสร้าง สาาซานกี่สิบล้านอัลละมายนยนอีกครั้งหนึ่งในความเพียงพอยาอเยาันบีฮัสบกอุลลามว่ามันจตากัม้นี่นบีเนยนอหไม่มีนะที่อัลลเรียกนบีนี่ยาฮัมเนี่ยอัลลอฮ์เป็นเจ้านะ เรียกนบีเรียกนี่ใช่ครับใช้คำเรียกนะแต่ถ้าจะกล่าวถึงเรียกแล้วก็เรียกถึงถ้ากล่าวถึงท่านนบีมุฮัมมัดนี่ใช่แต่เรียกนบีน่ะยานี่ยายามุฮัมมัดไม่มีเท่านบ้าน่ะถ้าคนจะเรียกท่านี้โอ้มุฮัมมัดอัลลอห์ฮามละเจ้าการอ ع ا ء الرسول ب ก ن ك م كدعاء า ع ض ك م ب า ض อุสธรรมทั้งหลายยืนเลี่านนบีเหมือนที่พวกเจ้ายืนเรี่ยงเพื่อนเห็นสั่งดิเนะีนี่ไมนบีคือศาสนทูตตำแหน่งมี่ก็ละเทศะแม้กระทังอามมะยาไอายุหันนบีฉะนั้นจึงเป็น ที่ต้องปลูกฝังว่าตำแหน่งนี้อันนบีอะลอุสูลเป็นชายาสูงสุดสูงกว่าอะไรสูงกว่าสิ่งน่นบางคนบอกว่าต้องสิ่งนั้มาหัมมัด สยึดนาเนี่ยนาบียังห้ามเนี่ยนาสยดนาเนี่ยมีคนมีสหายที่ลุกขึ้นนบีกาลังขุบ้า่าก็ปลื้มมากว่าอันตะสยดุนาวัสยดนาท่านเนี่ยเป็นเจ้านายของเราแล้วก็เป็นลูกของเจ้านายของเราบอกว่อย่าทาเหมือนที่พวกคริสเนี่ยยย่องอีสปนะอินเมอันอับฟะูล ชายาที่นบีโปรดและก็ชอบอย่างอัมฉันเป็นเบาของอัลลอฮ์และรสรของอัลลอฮ์พูดแค่นี้แล้วอัลลอฮ์จะเลือกเรียกนบีด้วยชายาที่ประเสริฐที่สุดถูกต้องไหมแสดงว่าฉายาที่อัลลอฮ์เรียกท่านนบีเนี่ยน่าจะเป็นฉายาที่สูงส่งที่สุดถ้าเราเอ่ยถึงท่านนบีของเราเนะี่ยดีที่สุดนี่นะครับ ดีที่สุดเนี่ยนบีของเราท่านนบีมุฮัมมัดแทนที่ว่าสีหนามุฮัมมัดสีหนามุฮัมมัดและอ้างว่เอ้ยนี่ให้เกียรติแล้วคนนี้ไม่ได้กล่าวสีหนาคือไม่ได้ให้เกียรติไม่ใช่เขาเขาจะเขาจะผิดแน่นอนด้านภาษาก็เขาจะผิดด uh ้านหลักการศาสนาก็เขาจะผิด ป่านนี้อาจารย์ยังก็ต้งซีนนาไปเลยนะอาชาตุอันนาซีนาโมฮัมมัดเคยมีมในประวัติเคยมีมเคยได้ยินมอคนที่บอกว่าเนี่ยไม่เกียนบีเลยไม่กล่าวซนไหนกล่าวให้เกียยนี่อาจารย์เกียกันหน่อยอาจารย์เมกแต่นินี่มีใครได้ยิน สรุอันนั้นสินะเอามาจากไหนรืวองยานไหนไม่มีน่่นนะนําราอบูละเออะไรไม่มีนั่นสิสิฮิดนาเลไม่มีเลยเอามาจากไหนเอากูแจ๋วแข่งเก่งกว่าสหาบะเก่งกว่าตะวีนเก่งกว่ายุคสาระทั้งมดนี่กูเก่งกับพวกนี้หมดพวกนี้ไม่เกียร์นบีเลยแล้วก็กูนี่แหละที่ให้เกียร์นบีคนที่อ้างว่าในตะฮิยาเนี่ต้องเพิ่มฮิทนานะคือหนึ่งล่วงเกินท่านนาบีเพราะนาบีไม่ได้สอนแบบนี้ ทำไมเนี่ยแต่ฮิญาดเนี่ยแต่ฮิญานี่เนี่ยที่ที่สหายบารายงานน่ะนะสหายบ้านี่ยก็มาจากปากน บ, บีน บ, บีสอนเมยไงนี่เขาก็กล่าอย่างงั้นถ้าเราก็บอกไม่ครบ ม, มันแปลว่าอะไรล่วงเกินใครล่วงเกินทัานน บ, บีล่วงเกินสหาบ้านล่วงเกินบรรดาอุลามาบรรดาอิหม่าเจ้าของมัสยิดทั้งหลายไม่มีมัสยิดไหนอิห ม, ม, ม่ามัสยิดไหนนีที่เขาบอกว่าต้องกล่ัวสิบนาน มีตำแหน่งอนนันนหนไม่ยิงกระเพียพลเราเกล่าวถึงท่งนานนบีเนี่ยด้วยความรู้สึกว่านาบีนี่คือตำแหน่งที่สูงส่งเล้ยวยิ่งกว่าไซยิดนะไซยิดนะเจ้าน า, นายนบีน่ะคือเจ้านายไม่มีเยอะไงเจ้านายไม่มีเยอะแต่นบีเนี่ยใครที่เป็นนบีบปรซูล่ะใครอ่ะใครจะมาบังอาจอ่ะนอกจากว่าทียวมาแต่งตั้งเท่านั้นอ่ะเราเอาเรื่องที่คนทั้งหมดเนี่ยไซยิดนี่นะ เป็นชายาดีใครใครเป็นก็ได้สซยิดนะก็คือเจ้านายหัวหน้าไงเอาชายาเนี่ย้าต้องให้เกียรตินาบีซึ่งเป็นชายาดิใครก็มีทุกคนในทุกโลกก็มีก็ได้แต่มีใครในโลกนีที่มีอันนาบีอยู่อรสูตรเราจะหลีกเลี่ยงได้ไงทั่งอย่ี่ดีที่สุดเออถึงท่านนาบีเนี่ยไม่ต้องไซยิดนะอันนาบี นบีของเราท่านนบีทรัสูล์นี่ถือว่าเป็นการให้เกียรติมากที่สุดไอ้อยูฮันนบีโอ้นบีอัลลอ์นั้นเป็นผู้เป็นที่พอเพียงอยีนะเป็นที่พอเพียงแก่เจ้าและแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าด้วยอันได้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย หมายถึงว่าอัลลอ์เพียงพอสำหรับนบีแล้วก็เพียงพอสำหรับคนที่ปฏิบัติตามนบีและเข้าใจว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามนบีนะอัลลอฮ์ก็จะไม่เพียงพอสำหรับเขาหรือเขาจะไม่รู้สึกในความเพียงพอเขาจะรู้สึกเขาจะมีปมอะคนที่ไม่ปฏิบัติตามนบีนะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงนะคนที่ไม่ปฏิบัติตามนบีเนี่ย ปุ่มมว่าหลักการศาสนาคำสอนในคุณอานอนนี้ไม่พอรองสังเกตพฤติกรรมที่เห็นชัดกับคนนี้ไม่ปฏิบัติตามเนบีเพราะมีปุ่มเนี่ยจะมีอุตริกรรมเยอะในชีวิตทำไมเพราะรู้สึกไม่พอไงแล้วพอรู้สึกไม่พอเนี่ยทำอะไรอ่ะก็ต้องเสริมต้องเติมตรงนี้งนี้ นี่นี่นี่นีนี่ไม่พอตรงนี้ขออีน่อยขออหน่อยนี่ไม่พอเพราะอะไรมันเป็นปเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยไม่ปฏิบัติตามนบีคือถ้าเรามั่นใจว่าจะปฏิบัติตามนบีมันมันสุดยอดแล้วการที่จะให้คนที่ปฏิบัติตามนบีสุลต่าลอฮ์อะลัยฮุสัลลัมนั้นได้มีความรู้สึกว่าเขาเพียงพอ นั่นหมายรวมว่าเราจะต้องมันศึกษาแนวทางของท่านดามิซอมของตัยอ่อนในอลศลให้ละเอียดถี่วนครบถ้วนพรากศึกษาสุนหน้าของท่านดามิซออั่อนใอุศลและการที่มีสัญญาใจว่าเราจะปฏิบัติตามท่านดามอมขอั่อนในอุจะทำใหเรารู้สึกว่าอัลลอเพีงพอแล้วคุณธรรมในหมูว่า และนี่คือภาคปฏิบัติของคําว่าฮัสบูนอัลลอฮัวเนี่ยเพราะเรากล่าวฮัสบูนอัลลอฮหัวเนี่ยอมละกิ่งอมเพียงพอแล้วสําหรับเราทาั้งทั้งที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาเราไม่ให้ความสําคัญกับหลักการศาสนาแล้วมันจะเพียงพอได้ไหม คำพูดเนี่ยฮสัสบูลนั่งหล่อเนี่ยรอบเพลงพอสําหรับแล้วมันต้องมันต้องมีความอึดอิ่มในหลักการเสียก่อนคนเราเนี่ยเวลาเจอปัญหาอะไรเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกจะสู้อะไรกับเขาเนี่ยสู้ไม่ได้เรากล่าวคำนี้อย่างเดียวฮัสบูลนันล่ลอหัวเนี่ยมันรุนแอุบาย <S <S ของเขาแผนของเขาเนี่ยมันลึกเหลือเกินกว้างเหลือเกินมันร้ายเหลือเกินเราสู้ไม่ไหวหรอก เพราะกล่าวฮัสบุญัลลอฮ์วันนมาเมอกีแต่พระบุว่าเราในตัวไม่แพ้เขาเรื่องความเลวได้เรื่เป็นความเหลียมเรื่องความเราจะมาก่าฮัสบุนอัลลอฮ์ยังไงก็เรานโอโหนี่มันเหลียมขนาดนั้นฮัสบุอัลลอฮวนมัก็เองเองก็เหลียมเหมือนกันนะเองก็เหลียมเอาแล้วทำยังไงคือเราเราต้องรต้องบริสุทธิ์ก่อน คือเราต้องพยายามไห้ฟอกตัวเองชัดเจนก่อนว่าเราบริสุทธิ์อัลลอฮ์จะได้ช่วยเหลือจริงๆอัลลอฮ์จะได้เพียงพอจริงๆถ้าเราจะขอความช่วยเหลือฮัจบุนอัลลอฮอัลลอฮ์เพียงพอแล้วสำหรับเราเราจะพูดค่ะฮัจบุนอัลลอฮวันนี้มันว่ากีนขอความช่วยเหลือจากอัลลอยามที่ความเลวของเราเนี่ยมันน้อยกว่าเขาตั้งหาก เราไม่มีความเร็วพอที่จะสู้กับเขาเกินเลยหอบุนอลล้อนแลวกันแลวกันแล้วมันจะใช้ได้อ่ะพวกเรานี่ต้องคือต้องสุจริตกับตัวเองเหรอ้วลาขอความช่วยเหลือจากออนล้อนนี่การมันไม่มีหรอกอะไรที่มันไม่มีเงื่อนไขการที่จะ อ้งถึงอัลลอฮ์ส่วการที่จะถือว่าเออเราเนี่ยเป็นเป็นทั่วของอัลลอฮ์เราเป็นผู้ที่อัลลอฮ์จะสนับสนุนนะพิสูดหน่อยนีให้ด้วพิสูจน์ให้เห็นหน่อยดิอยู่ตรงไหนอ่ะเราเป็นผู้เป็นเป็นผู้ที่สนับสนุนศาสนาของพระองค์ผู้ที่ช่วยเหลือศาสนาของพระองค์อยู่ฝ่ายไหนอ่ะเราอยู่ฝ่ายไหนอ่ะสู้กับอเมริกาสู้กับฝรั่งเศส ทำธุรกิจเต็มที่กับฝรั่งเศสอย่างเงี้ยศาลาลอฮฺมัลวัมมัมมันมันแค่วิถีชีวิตเนี่ยมันก็มันแพ้แล้วสนามรบแรกนี่ก็แพ้แล้วเป็นตัวพิสูดได้เห็นถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความกล้าเพียงพอ ที่จะพิสูจน์กับตัวเองว่าเราเนี่ยกล้าที่จะเลือกหลักการกล้าที่จะเลือกความถูกต้องเพราะเราไม่สนหกคนจะเยอะอำนาจจะบ้าบอแค่ไหนอะนะเรามีอัลลอฮ์จริงเราก็เลือกความถูกต้องจริงเนี่เพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์จะช่วยเราแน่นอนถ้าเราไม่พิสูจน์ให้ตัวเราได้เห็นในชีวิตของเราเนี่ยสักครั้ง เราไม่น่าจะเป็นคนที่ยกทงแล้วแอ้สัจธรรมอยู่กับเราแพ้หมดแล้วกดดันอะไรนิดหน่อยโพสอะไรนิดหน่อยไปว่าประเทศนูน้นประเทศนี้อกดดันให้ ö, อย่าโพสนะไ ด, ได้ครับได้ครับพอวิสูได้ด้วยองเ้จะกดดันไม่ให้ฉันต่อว่าคนที่ทําลายมุสลิม ฉันเล่าออนั่นของจริงใจหายไม่ยึดติดตําแหน่งทําไมอ่ะแค่จะโพสพูดความจริงนั่นนะแค่จะพูดใครผิดใครถูกอย่างเงี้ยไม่ให้พูดไม่งั้นแล้วแล้ออกสิลองอ่ะจะลองใจอ่ะแล้วออกไม่ได้ผู้ชายําแหน่งไม่ได้ยึดติดเสียจะทำหนี้ไม่ได้อยู่กับเขาอีกนี่ ของจริงให้เห็นนะ่ะถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะในชีวิตสักครั้งหนึ่งนะสักครั้งหนึ่งให้ก็เห็น่ในสายตาของเราเนี่ยไอ้ของพวกนี้เนี่ยกคนมาขูให้เดจไอไม่มีเงินเดือนดังว่าไม่ให้นะเดไม่สร้างโู่นให้เไม่อนีให้นะีบ่บาจะช่วยไม่รู้นะคนอื่นพวกอไนไะนถ้าโดนผเองนะไม่เคยผิดหวังกับเราหรอ ในการพูดความจริงพูดความจริงแล้วก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจหรอกให้เป็นใครพูดความจริงให้เกียดกันนะให้ยพูดความจริงเนี่ไม่ต้องดูถูกไม่ต้องเกลียดอย่างแต่พูดความจริงพูดความจริงส่วนใครจะกระทบเฮ้ย hey, เราเสียหายนะคความจริงนะความจริงหมอบอกว่าถ้านเป็นมะเร็งแปลว่าต้องรักษาเฮ้ย เสียหายนะถ้าพูดเป็นมาเรเสียมันก็เสียหายแน่นอนอ่ะเสียหายแต่มันต้องพูดไงพอเ้าไม่พูดเนี่ยมึงก็ไม่รักษามึงก็ตายไงหมอก็ไม่ต้องพูดกับจริงรักษาน้ําจิตน้ําใจของคนป่วยไม่ต้องแก้ไขปัญหาอะไรไม่ต้องพูดความจริงความเป็นปรกเพนของพรมหานี่ด้วยความสนิทสนมของ สำคัญที่สุดเนี่ยพี่น้องคิดว่าอะไราที่ทำให้เราสนุกสนุงแบ่งเค้ให้เท่ากันนะจะได้ไปตงทะลาบกันใช่ไหมแบ่งตำแหน่งเนี่ยให้แฟกกันจะได้ไม่ไม่อิจฉากันพย า, ายามสกิบ เรื่องเรื่องอีมา ن เนี่ยให้แน่ชัดได้หัวใจและอยคิดว่าคนที่ทำงานศาสนาคนที่ทำงานศาสนาไม่หวังตำแหน่งไม่หวังผลประโยชน์อัลลอฮไม่รู้หรือคนดีในสังคมเนยไม่รู้คิดเลย ไม่คิดเลยชาวอังซอร์เนี่ยเรื่องนี้ผมไม่ค่อยชอบเล่าเราะเล่าทุกอยงมันแบบสะเทือนใจชาวอังซอร์นี่ทุ่มเทกับท่านนบีขนาดไหนว่านบีได้ชนะสงครามหลายสงครามได้สับเลยเยอะก็แจกให้ คนที่เราอิสลามใหม่ทีิ่งเป็นหัวหนาว้าเผาเพื่อให้หัวใจของเขาเนี่ยเสนิสนุกแต่ท่านอบดมั่นใจแลน่นไงว่าลูกจะมาของเขาเนี่ยจะเป็นมุฮัมจีริลสัสเขาไม่มองหรอกอูดกี่ตัวอะไรกี่ตัวให้คนหนึ่งเพิ่งรับอิสลามใหม่นะให้ไปร้อยตัว เจ้าอันซอนบางคนเนี่ยก็มาสกิทนบีบางคนเ้นออนซนเนี่ยก็น้อยใจก็เรียกเรียกมาเลยเรียกมาแ้ช อ, อชอบชอบใจเาไม่รู้สึกเพียงพอละคนนู้นได้อูดไปร้อยตัววนันได้อูดไปสองร้อยตัวแต่เจ้าอ่นซ้อเนี่ยได้นบีกับบนมา ทไมัวรว่าคนดีทางานศาสนาแล้วก็ไม่มองต้นเงไม่มองผลประโยชน์เนียเขามีอะไรอยู่ในกำมือเขาไม่มีเงินเดือนเขาไม่มีผลประโยชน์ก็จริงแต่เขามีมีรลุ้ลนะีสาบาลุแล้วสลักอัลอัมซารุฟัจัลว่าัก ا ل ให้คนทั้งหลายนี่ไปทิศไหนอะช่าง ลองสอ้ไปที่ไหนเนี่ยฉันนี่จะตามลองสู้ไปการให้เกียรติหัวใจที่สนิทสนมเพื่ออำนาจ อ, อย่างเดียวเนี่ยท่านบนบีสลตานลร่องสัวนเหลือมั่นใจนหัวใจที่ไม่มีเรื่องดุนยาเรื่องตำแหน่งเรื่องสตังเนียวมาเป็นเงื่อนไขในการ เป็นข้อแม้ในการต่อรองว่าจะทำหรือไม่ทำนี่ไม่มีทำเพื่ออัลลอฮูลอใจอย่างดียวพอประธานอย่างเดียวพวกเรานี่ก็ต้องพิสูจน์ให้ตัวเราได้เห็นด้วยและเป็นยังไงนายพี่สัญญากับชาวังกฤษเไม่ต้องหวงดูโลกนี้ดุนยาีนทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกเทไม อ่อนซอ้อนนีหลังจากนั้นหลังจากที่นบีเซียชีวิตเร่ำรวยเธอไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยนะทางานศาสนาทําเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่งานศาสนาอย่างเดียวนะแม้กระทั่งงานโลกดุนยาเนี่ยขัดแย้งกับเพื่อนกันแล้วก็เรื่องสตังเรื่องศีรษ์เรื่องอะไรนี่ให้อภยัยให้อภัยเพื่ออัลลอฮ์เองเดียวอย่ากลัว ว่าจเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่าหูเบากับคนที่มึงมึงโง่ ม, ง ม, งมงเป็น ฝ, ฝ่ายเสียเปรียบตลอดนะ่ะมึงยอมได้ทําไ ม, นะมอ่ะมึงเหงาเสียเปรียบอย่างเดียวอย่าคิดอย่างนั้นนะการทนะีร่มีคุณธรรมในมือเราในหัวใจของเรานั่นคือทรัพย์สินที่ล้าค่านะ่ะคนน่ะมองไม่เห็นนตะ่ความเป็นเพชรเป็นทองเป็นพลอย ของของมันน่ะที่มันที่มันอยู่กับเราของแบบนี้เนี่ยถ้ามันมีคือถ้ามันมีกลิ่นมันมีมันมีรังสีที่สามารถส่องให้เห็นคุณค่าของมันจริงไงนะไม่เหลือแต่เนื่องจากว่าการเสียสลับมันมันเอ็กซเรย์ไม่ได้คุณค่าของมันมันตีราคาเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เสียสลับ เมตตาช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อยอมให้ให้อภัยไ อ, อ้ของแบบเนี้ยมันตีราคาไม่ได้หรอกมันไม่มีเครื่องวัดที่จะตีราคาหัวใจของเราเนี่จะไม่สนิทสนมนอกจากว่าหัวใจจะต้องมีอัลลอฮฺเราต้องเลื่อเชื่อให้เชื่อให้มั่นใจเลยกับอีกนึ่งหัวใจใครหนึ่งมีอัลลอฮฺเราสู้นีด่ ก็จะรักคนที่หัวใจคนนี้มีอัลลอฮฺ رسول แม้ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ตามแม้ว่าเขานี่เป็นคนที่เราไม่ชอบทีหน้าเขาแม้ว่าจะเป็นคนที่ด่าเราก็ะตามมาแต่เขารักอัลลอฮฺ رسول จริงไงนะคนที่หัวใจเขานี่รักอัลลอฮฺ رسول จริงไงนะถึงแม้ว่าคนคนนั้นนี่ยด่าเขาด่าเขาข็หนักไหนก็จะเขาก็จะมีหั เป็นสมการที่บิดผิวไม่ได้มมกร็รเป็เรื่องที่อัมบาการันตีเรื่องหัวใจเนินใครเซนิเซมอัลลอฮฺแสดงว่าจะหวัวใจทุกคนเนี่ยมีอัลลจริงๆนแน่นอนเจอกันเมื่อไหร่นี่ย น, นี่เลยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันแต่กับเนิเซนมกันนะ ออาจจะขัดแย้งกันอาจจะอะไรดูเหมือนในสังคมดูเหมือนว่าสองคนนี่ไม่ถูกกันไม่จริงถ้าสองคนเนี่ยหัวใจเขาหนี่ยมีลารมณ์รุนจริงๆนะไปดูสิตอนเขาละหมาดที่เขาขดูอะไรใครไปดูสิตอนที่เขาพูดเนี่ยตอนที่เขาสั่งเสียไปเรียนกับใครอ่ะไปเรียนกับคนนี้อ้าวคนนี้อาจารย์คนนี้เขาด่าอาจารย์นะเออนะไปเรียนกับ มีประโยชน์ถ้าหากว่าได้มีหัวใจเยี่ยงนี้แล้วจะไปสู้รบจะไประชิญหน้ากับกองทับแค่ไหนชนะแน่นอนและนี่คือสิ่งที่องค์เจ้าฟิซูเตห็นะฮียะตอไปนะครับว่าสุลลัลลอฮฺอัลลนบีอัลลฮฺมมัดอัลลอฮฺอลลฮฺอัละ